ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมกาลังนำเสนอสมิธิสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการละกามแต่ว่าพระสูตรนั้นเป็นชื่อของภิกษุรูปหนึ่งคือพระสมิธิก็ได้สนทนากับเทวดามาโดยลำดับ ก็มาถึงช่วงที่เทวดาพร้อมด้วยพระสมิธิไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ตะโปธารามซึ่งก็ใกล้ๆ ก, ก, กับสถานที่ทั้งสองพบกันนั่นเองในชั้นแรกที่เทวดาขอให้พระสมิธิกล่าวถูกถามปัญหานั้นพระเจ้าก็รับสั่งตอบ ต่อเทวดาโดยใจความก็คือว่าเป็นเรื่องของมานะที่บุคคลจะต้องมีความชัดเจนต่อว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือสาเหตุของปัญหาอะไรคือความดับปัญหาและอะไรคือหลักการวิธีการในการดับปัญหาและเป็นโครงสร้างในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการนั่นเอง แล้วทรงแยกคนออกเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งที่ไม่รู้เห็นทำความเป็นจริงประเภทที่สองก็เป็นพระอระหันตะคีนาศพซึ่งเข้าถึงโลกุตรธรรมที่สมบูรณ์ตามที่พระสมิธิท่านกล่าวไว้ในตอนตอน้นเพราะในช่วงตอนปลายของประกัศ ฐ, ฐาในรับสั่งว่า ตุกคอนเทวดาถ้าท่านเข้าใจก็จงพูดเถิดปรากฏว่าเทวดาก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละจึงกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบนิ้วความแห่งธรรมนี้ที่พระผู้มีพระเจ้าจัดโดยย่อให้ได้ความโดยพิสดารได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอพระประธานพระวโรกาส แบับรงฟังเนื้อความแห่งธรรมนี้ที่พระพุมีพระภาคตัดโดยย่อดได้โดยความพิศรารได้อย่างไรก็ขอให้พุยเจ้าตัดบอกนะฮะคือก็อย่างที่บอกว่าเป็นวิธีเทศวิธีสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีอยู่สองแนวแนึ่งเ็าเรียกว่านิกหมุขเทศนา คือทรงรวัตยาศัยของผู้ถามว่ามีความประสงค์จริงๆนี่คืออะไรเทวดาตนนี้มีมานะมีความกระด้างมีความถือตัวมาแต่ต้นถึงแม้จะมาภาพโรคงแล้วอาการเหล่านั้นก็ยังไม่ลดลงเท่าทีค่ควรเรก็สรงรับสั่งตอบโดยข้อความที่ค่อนข้างเป็นปริศนาคือฝังยาก ฟังแล้วเขาจะยากพระเทวดาก็สารภาพตามตรงว่าพรธเจ้าสัตย์ย่อแต่ข้อความพิสดารเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยท่านไม่เข้าใจผมก็ถามมาณอ่อนลงคืออ่อนวอนคำถามต่อไปจะเป็นการอ่อนวอนขอร้องต้องการจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้า ถึงอธิบายที่ส่งแสดงไว้ในตอนตอน้นพระเจ้าก็รับสั่งว่าบุคคลใดสำคัญว่าเราเสมอเขาว่าเราดีกว่าเขาว่าเราเร็วกว่าเขาบุคคลนั้นพึงวิวาทกับเขานี่คือวิจีของชาวโลกเราจะเห็นว่าในบางครั้งนี่ทะเลาะ ก, กันด้วย ม, มีความรู้สึกว่า สัตสีท้าเที่ยงกันบางครั้งทะเลาะกันโดยรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันตามกว่าบางฝ่ายทะเลาะกันโดยรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันเหนือกว่าบางครั้งทะเลาะกันโดยรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมันตามต้อยเพราะนจะเกิดอาการเรียกว่า อ, อติมานะคือดูหมิ่นคนอื่น โอมาณะคือดูหมิ่นตัวเองแล้วก็ตีเสมอคนอื่นพันธการแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอาการกระด้างคือใจิตใจจะมีความกระด้างแล้วจะรู้สึกแบ่งแยกคนนี้วันก่อนฟังแล้วค่อนข้างไม่เข้าใจนะครับ เป็นเหตุการณ์ในวันจันทร์ที่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่ห้าพฤศจิกายนที่อำเภอปานังสตาที่เด็กผู้หญิงเกาะกลุ่มการขับไล่ต่อชดอยออกไปจากพื้นที่และสุดทางราชการก็ยอมจำนวน คุณอารีวงอาริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เหตุผลว่าไม่ใช่การยินยอมแต่เป็นเรื่องของการสมานฉันเป็นเรื่องของการเหตุขอนการใช้เหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทั้งสามคำเนี่ยไม่เข้าใจ <S S S S เพราะเราเห็นว่าก่อนหน้านั้น อายการยกฟ้องผู้ต้องหาในกรณีของตักใบห้าสิบกลายทั้งหมดข้อนำมาอ้างเหมือนกันหมดทีนี้ปัญหาที่เราจะต้องมองว่าความเสมอภาคในการปฏิบัติตามกฎหมายในเสมอกันหรือเปล่ากับคนไทยพุทธเนี่ยคุณเคยยกเว้นขนาดนี้หรือเปล่าขนาดทิงสี่ห้าสิบหรือเปล่า แต่กับอิสลามเนะี่ยยกให้บ่อยเลยและลองตรวจจานวนดูที่อายการก็ได้ที่ศาลก็ได้นะว่าในแต่ละปีแต่ละปีทีงผ่านมาตลอดเนี่ยการทำผิดของคนเหล่านี้เคยผิดหรือเปล่าแม้แต่การฆ่าพระไปจำนวนเท่าไหร่ฆ่าครูไปจำนวนเท่าไหร่ฆ่าแม้แต่ศาลนะ แต่เพื่อากษาแต่ว่าทานราชการไม่เคยรู้สึกกระตือรือร้นอะไรเลยนอกจากกับทนายสมชายนีราภัยจิตเต้นกันเป็นอะไรไปไม่รู้คือถ้าทุกคนได้รับการปฏิบัติให้เสมอภาคกัน มันก็ควรได้รับการศึกษาสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุ้มเสมอกันแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยกันทำไมหายอย่างคุณท่านองพผู้อ่านก็หายไปแล้ ว, น, ว น, นี่เป็นเรื่องที่ที่ต้องเข้าใจนะไอสมาณาชาตินี่คืออะไรเหตุผลคืออะไรแล้วก็ ความอะไรเขาเรียกเหมาะสมนี่คืออะไรเป็นภาษาที่นํามาใช้แล้วก็พร่าเพรื่อแล้วก็รับผิดชอบไม่ได้แต่บางทีเราย้ายข้าราชการไล่ข้าราชการเพื่อความเหมาะสมเนี่ยอะไรคือความเหมาะสมวันการให้คุณให้โทษเนี่ยมันต้องมีมาตรวัด ถ้าถูกต้องก็ต้องให้คุณนะถ้าผิดก็ต้องให้โทษอย่าไปดูที่คนต้องดูที่ใครทำดูที่กรรมขาวถ้าเราไปดูที่คนเราก็เกิดอาคาติอย่างเงี้ยเราจะโนแนวมานะเนี่ยมันเกิดจากอคาติเพราะว่าเราไปมองที่คนแล้วก็มองค่อนข้างจะเหมาโหลูวนิชาติสกุลมันตามเลยดูมีนหมดเลย พวกนี้ชาติกุลสูงก็ยกย่องเชิดชูเลยและคนเราเนี้ยในสุขก็จะดูหมิ่นคนอื่นโดยถือว่าตัวเองชาติกุลสูงกว่าก็ชาติมนุษย์นะราชาติคนด้วยกนันนะพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์สุ ข, ขุมาลิชาติเป็นสุรียวงคือเหนือกว่ากษัตริย์อารยั น, นยุคนั้นทั้งหมด แต่พระองค์ก็ปฏิเสธว่าคนเราจะเป็นคนเลวไม่ใช่ประชาสกุลเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่ประชาสกุลแต่เป็นคนเลวก็เพราะการกระทาเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทากระย์ไปไถนามัน ก, ก็เป็นชาวนาชาวนาไปค้าขายมัน ก, ก็เป็นแพทย์เป็นพ่อค้าคือก็มองกธิกรรมการกระทาของคนในกรณีท้านนั้น เพราะการที่เรามองที่คนไม่ได้มองที่กรรมที่เรายุ่งเนี่ยที่เรายุ่งคือเรามองที่คนแล้วก็ไม่มองที่กรรมการที่นายกรัฐมนตรีขอโทษนั้นว่าที่จริงก็ดีนะฮะคือแต่เรามองในแง่ของสังคมจิตวิทยาแต่ความหมายความมาทหารสมัยนั้นข้าราชการสมัยนั้นทั้งหมดเนี่ยทำงานผิดพลาดหมด และที่สําคัญอย่างยิ่งกว่าเมื่อถือว่าการกระทําเหล่านี้ได้รับการยกเว้นแล้วเนี่ยข้าราชการที่กำลับบงถูกสอบอยู่เนี่ยจะ ย, ยกเว้นด้วยหรือเปล่าพราถ้าคนปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าผิดคนไม่ไปฏิบัติตามกฎหมายได้รับการยกฟ้องเนี่ยมันก็ยอดคนแล้วบรรเมืองมันมีหลักมีเกณฑ์อะไรล่ะนี่คือสิ่งที่ต้องมองนะะมันไม่ใช่เรื่องมุมใดมุมหนึ่ง แต่มันเรื่องหลายมุมเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยนายกรัฐมนตรีบางท่านที่เขาขอโทษยากเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านั้นเข้าไปปบัติไปตามกฎหมายในกรณีตรงนั้นน่ยขณะนั้นนี่ยพอสถานการณ์มันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนแต่ตรงนั้นเนี่ยมันมันมันการทําอย่างนั้นคือถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นการตัดสินใจชั่วขณะหนึ่ง เพราะว่าเป็นงานของแต่ละคณะซึ่งเราก็ถอยหลังกลับมาไม่ได้เราถอยหลังเอาเหตุการณ์อะนั้นกลับมาแก้ไขใหม่ไม่ได้ผลการเลือกแล้วต่อการเพื่อสมาชาิกศาลเพื่อความเหมาะสมหรือความมีเหตุผลก็ต้องยกเลิกหมดถือว่าไม่มีการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจะนํามาอ้างอีกไม่ได้เพราะมันผิด คือไม่มีการกระทำผิดก็แสดงว่ามีคนกระทำผิดถ้ามีการกระทำผิดต้องมีคนกระทำผิดเมื่อไม่มีคนกระทำผิดก็แสดงว่าไม่มีการกระทำผิดแล้วเมื่อควายหนึ่งเป็นการกระทำถูกอีควายที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายในขณะนั้นยุติธรรมในพูดง่ายนะฮะแต่ปฏิบัติยาก บัญหาใหญ่มันอยู่ที่ความเป็นเราเป็นเขาและรู้สึกสบประมาทดูถูกดูหมิ่นกันและในการวิวาทอย่างเงี้ยมันก็เกิดได้เลยมีนายทหารผู้ใหญ่พูดว่าราัชดรแถวนั้นก็ทำบ่อยคือประท้วงขับไล่าราชการเนี่ยประท้วงรุมตีครูจูหลิงยังไม่หายป่วยวันก่อนก็ตีทหารเรือสองคน ก็มีบ่อยนะแล้วก็กลายเป็นครื่กันทกฝังนั่นคือคือกลั ว, ม, ลว ma. มันเป็นพยากติคือความกลัวเรากําหนดเป็นคนค่ะแล้วเป็นคนที่น่ากลัวแล้วก็ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายวันมาตรการในกฎหมายมันก็กลายเป็นการเลือกปฏิบัติการวิวาทเนี่ย ห่งความโกรธสองผูกโกรธสรูดมินกัน 4. ที่เสมอหวิฤศยาหสรสนีทีนี้ก็ทะเลาะ ก, กันแต่อย่าลืมมาทั้งหมดมันมาจากมานะคือความถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ ในแต่ช่วงต่อไปรับสั่งบ่าขีณาสวะภิกษุผู้เป็นผู้ไม่หวั่นไหวอยู่ในมานะสามอย่างมานะว่าเราเสมอเขาก็ไม่มีเพราะไม่มีเราท่านไม่รู้สึกว่าเป็นตัวตนของท่านาไม่มีตัวตนนี้รู้สึกคนเหนือคนอื่นเสมอคนอื่นหรือเล็วกว่าคนอื่นมันเป็นการเกาะกลุ่มกังขันธาตุอยายตนะธา่านั้นเองทั้งหมดเป็นการสมมติบัญญัติขึ้น นะแม้แต่ความเป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมันก็สมมุติบัญญัติตามโลกะโวหารโลกะภาษาโลกะนิรุตโล ก, กสมัญญาเมื่อสังขารแตกสลายมันก็แตกสลายมันเหมือนกับราชรถราชรถมันก็ไม่มีราชรถราชรถก็เป็นนามธรรมมาก่อนแล้วก็สร้างขึ้นสมมุติเรียกเป็ราชรถ แล้วก็เล่นหลายก็สู่ความแปรผันคือแตกดับไปเพราะเราจะเห็นว่าอัตตาตัวตนเนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยุ่งสุดๆเลแก้ได้ยากทั้งหมดเรียกว่าไม่ลดราวาสอกันแหละว่าตัวตนก็หนึ่งเหมือนกันตอนนี้พยายาม ใช่เวลาเขาเข้าข้ง้มากไปแล้วนะเพราะหนังสือมันใหญ่มากใจมากยาวมากศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณเด็กดํบบันตอนนี้ก็มาอยู่ทางในช่วงทางภาคได้อยู่พอเราไปศึกษากันหลายเล่มเนี่ยมันก็ตีกันยุ่งไปหมดเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพอสอเป็นเรื่องตลกมากๆเลย พูดเป็นตุเป็นตะนะพอสอตรงนั้นศาสนาอิสลามยังไม่เกิดในโลกเลยแต่พูดเป็นตุเป็นตะอย่านึกว่าเรื่องทางวิชาการเนี่ยนะอย่างที่บารเคยบอกว่าเราศึกษาอะไรก็ตามเราต้องมองเข้าเท็จจริงในมิติทางประวัติศาสตร์ให้ได้แล้วก็มิติของธรรมะในด้านธรรมะข้อเท็จริงในแง่ของธรรมะและข้อเท็จริงในแง่ของปฏิหารทั้งสามอย่างเนี่ย เขาต้องไปด้วยกันอันนี้เราเห็นเรื่องพอศอเรื่องปีละฮะเรื่องปีเนชัดมากเลยมันวิประลาดคลาดเคลื่อนแล้วไม่ตรงป้อมก็ต้องนั่งประกายมือตรงถือดินสออยู่เลยคิดเลขเรืเเ่อยๆก็ไม่ใช่จับผิดแต่ว่าถ้าต้องการจะอ่านให้มันได้หลักจริงๆมีเหตุมีผลจริงๆเนี่ย ข้อเท็จจริงในแง่ในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมหาศาลมากๆเลยเราต้องยุติกันเพราะนัเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้ในกรณีเนี้ยในกรณีที่เทวดามาถามพระเจ้าพรจาก็แสดงถึงคนทั้งสองประเภทจึงหมายความพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันมันเป็นข้อเท็จจริงในในแง่มุมของประวัติศาสตร์ ว่าคนคนนี้ใจเขามีอาสวะหรือไม่มีอาสวะนั่นคือประเด็นถ้ามีอาสวะมันจะออกมาอีกเรื่องหนึ่งในที่นี้ก็สรงยกมานะขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีอาสวะมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งทางทางที่ท่านก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่ว่าใจเนี่ยสำคัญว่าใจท่านไม่รู้สึกว่าเป็นท่านไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเรา เมื่อความรู้สึกเราเหล่านี้ไม่มีเนี่ยแต่ความคิดที่จะไปยกตนขม่มคนอื่นดูหมิน่นคนอื่นตีเสมอคนอื่นมันก็ไม่มีพระหานพระเจ้าจึงสอนให้ทําตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าทําตัวเหมือนกับโคผู้ตัวเขาหักทาใจใเสมอด้วยพื้นดินทําใจให้เสมอด้วยลมเสมอด้วยน้ําเสมอด้วยไฟเสมอด้วยอากาศ ไม่เกี่ยวเกาะอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายในตอนปลายพระเจ้าก็รับสั่งอีกแหละไปะดูกรเทวดาแ้่ท่านเข้าใจก็จงพูดเถอะก็เหมือนเดิมนะฮะเทวดาก็ไปเข้าใจอีกแหละไม่เข้าใจก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงอธิบายพระเจ้าทรงอธิบายว่าขีนาสวัพิสุละบัญญัติเสียแล้วบรรลุธรรมที่ปราศ จ, จากปาณ ะ, ะแล้ว ตัดตัณหาในนามรูปนี้เสียแล้วนี่คือลักษณะลักษณะที่เด่นชัดของความเป็นพระอาหารหันต์ถ้าก็อยู่ในโลกนั่นแหละแต่ที่จริงมันก็สมมติบัญญตัติสมมติบัญญัติขึ้น อย่างอัตมาเนี่ยคนที่เขารู้จักมีน้อยที่เขาจะเรียกเจ้าคุณเทพธีรุลเขาเรียกเจ้าคุณระแบบอยู่แล้วแต่แม่อะไรเรียกอะไรก็ไม่รู้อะเรารู้สึกว่าเรียกเรอแล้วกันเแตะ ว, ว่าชื่อทั้งหมดมันก็สมมติทั้งหมดแม้แต่คาระแบบเองก็สมมติพระพนมังรก็สมมติราชธรรมนิเทศก็สมมติเทพธีรุลกก็สมมติเสร็จแล้วก็คือศกที่ตาย แต่วในความเป็นสมมติบัญญัติเนี่ยถ้าเราไปยึดเราก็เปลี่นตามที่เรายึดรู้สึกว่าเราเปลีนทีนี้พระอาหารหันนั้นท่านละบัญญตัติบัญญัติที่รู้สึกว่าเป็นพระกอพระขอพระขอพระงอยอะไ ร, ต, ะไรต่างต่างแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือเรียนลืมว่ามันบัญญตัติแต่มันเริ่มมาจากอัตรา ก็มีตัวตนมันไปผูกโยงเรื่องเยอะมากเรื่องอัตตาเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าจริงๆมันมันสรุปแล้วก็คืออาหางการกับมังนการอาหังการคือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นโดยอาศัยอัตตาแล้วก็มันก็แต่งตั้งทับซ้อนลงไปก็เกิดไปมันนะแล้วก็ไปยึดมั่นถืมนนอมั่นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้น มันก็ต้องการได้อะไรมาปลนปลือ อ, อัตราตัวเองให้เขื่องขึ้น<ม>ให้ใหญ่ขึ้นเหมาะสมแก่แก่อัตราที่รู้สึกตัวเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบรรลุ ธ, ธรรมที่ปราศจากมานะก็แสดงว่าตะอัตราได้อัตราได้เพราะมานะมันกม็มีที่ตั้งเพราะมานะมันต้องมีตัวตนจะมาตั้ง พะตัวตนไม่มีอิมานะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ตีไอ้ตัณหาที่จะรู้สึกของเรามันไม่มีเราไม่มีตัวเราให้ยึด ก, ก็ก็เลยก็ตัณหามันก็ดับตามไปค้อนี้ให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตนะสนละลองสังเกตว่าสมมติว่าเขาไปแจกรางวัล พอแจกรางวัลกันแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่สมมติว่าคนได้รับรางวัลคนหนึ่งนี่ชื่อเหมือนเราแต่นามสกุลไม่เหมือนกันหรือบางทีนามสกุลอาจจะเหมือนเราชื่อก็เหมือนเราเลยแต่เราี่รู้มาก่อนว่าไม่ใช่เราที่ในชื่อมันซ้ำกันนามสกุลซ้ำกันเพื่นเราจะไม่รู้สึกว่าเราได้หรือเราเสีย เพราะอะเพราะว่าในหมู่คนในรับรางวัลตรงนั้นมันไม่มีเราแม้จะชื่อตรงกับเรานามสกุลตรงกับเราแต่มันก็ไม่มีเราเพราะว่ากระตำความจริงในสังคมไทยเนี่ยคนที่ชื่อนามสกุลซ้ํากันเนี่ยมีมหาศาลเลยบางชื่อก็มีที่บ่อยที่ตำรวจจับคนชื่อซ้ํากันนามะกุลซ้ากันเนี่ยแล้วก็ผิดตัว แล้วบาทีก็ติดคุกไปเลยนะเพราะว่าหลักฐานสภาพแวดล้อมคนบ้านนอกซื่อๆผูจ่าไม่เป็นอธิบายไม่เป็นเพราะด้วสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสัมผัสได้หมายความมาอย่าไปให้ความต้องการแก่อัตราตัวตนไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่งที่ไหนก็ได้ก้อยดื่มน้าก็ไปได้ก็ได้ ไม่ไปรู้สึกยินดียินรายอะไรก็ เ, เรียกว่าสำเร็จประโยชน์น้าก็คือน้ําเราดื่มน้ําเราไม่ได้ดื่มแก้วดื่มน้ําแต่นั้นเองกราต้องการไว้น้ําสะอาดก็พอแล้วทีนี้ตัดตัณหาในนามรูปคือโลกเนี่ยเป็นนามรูปมันหมดแล้วนามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจแต่เราถึงตัวใจเองรูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสไปตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ตัวตาหูจมูกลิ้นกายด้วย<ม>ก็คือรูปใจของเรานั้นรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันเกาะกลุ่มกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแต่เราหาเราไม่เจอนะอย่างที่พระเจ้าทรงสอนในแนวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตอนเรีกว่าธาตุประพาณิยในหมวดเรียว่าไดธาตุสี่ก็<ม>เหมือนกับเราไปตลาด ไปตลาดที่เขาขายเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายอะไรต่างๆกองมันกองกองมันหาหมูไม่เจอมันหาควายไม่เจอมันหาวัวไม่เจอมันมีแต่ชิ้นส่วนต่างๆถ้าเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเราไม่รู้ว่าไหนเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายแต่เพราะเรารู้เราอาศัยสัญญา เราก็จะหมายมาอย่างงี้แต่พอปลาปรุงมันไม่ได้มีเนื้อมันไม่ได้มีอะไรมันมีอาหารมันเป็นอาหารแต่นั้นเองแล้วในกินรับรรบทานกัไปก็ここด้วยความรู้สึกว่ามันรับประทานอาหารเพื่อยางอัตภาพไปเป็นไปแต่เราเข้าถึงจริงๆเราก็ไม่เดือดร้อนสมเป็นประโยชน์ก็พอละ เพราะงั้นตัวนามารูปเนี่ยมันจึงไปที่ตั้งของตัณหามาณทิชิที่เราปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญากันก็ผ่านภพชาติสังสารวัติมายาวนานเนี่ยต้องการจะถ่ายถอนตัณหามาณทิฐิในนามารูปนี่แหละเพื่อดับนะจริงเพื่อดับแต่ว่า เอาดาบก่อนไม่ได้ก็เอาขนาดบรรเทาลดละไอ้จางคลายบรรเทาไปลดละลงไปจางคลายลงไปอย่างน้อยก็ให้รู้รสึกอัตตาบันเล็กลงกนะ็คืออ่านประวัติพระเทราผู้เท่าในยุครัตนโกสินทร์นีฮะแต่มาประทับใจรทับใจสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตแล้วกับ พระบาทสมเด็จประจอมเกล้าเนี่ ย, ยก่อนจะสวรรคตเนี่ยคือประทับใจมากตั้งแต่เด็กเลยเราประทับใจมากพระบาทสมเด็จ พ, พุทธาจยา์โตอ่านมาตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียนปรมอมแล้วอ่านแล้วรู้สึกซึ้งในหลายหายเรื่องเนี่ยท่านไปครองอะไรบางหลวงอะไรเนี่ย นามันตื้นคนพายเรือพายไม่ไหวก็ลงเข็นกันทั้งต่า ง, งลงเข็นด้วยแถวบ้านก็ตะโกนกันดูว่ามันดูสมเด็จเข็นเรือท่านบอกว่าไม่ใช่สมเด็จอันนี้ไม่ใช่สมเด็จนีมนขรัวโตสมเด็จไปชี้ที่ผัดแต่ท่านก็เป็นอย่างเงี้ยมีอะไรเยอะเลยคือสแสดงถึงความมายิดมัน่นหรือมัน่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเาเจออ้อยู่หัวก่อนเยสวรรคตเนี่ย รับสั่งว่าสิ่งใดที่บุคคลไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้เนี่ยสิ่งนั้นไม่มีโทษไม่มีเดชแล้วท่านก็ทรงปฏิบัติได้นะแม้แต่ราชสมบัติไม่ได้มอบหมายให้ใครแต่ว่าให้จัดการคัดสรรกันเองเลือกกันเองใครเห็นใครเหมาะสมก็ยกย่องคนนั้นเพียงแต่ว่าพระาราชโยรสพระธิดายัางทรงพระเยาว์ก็ทรงฝากฝัง ด้วยจิตคิดนุเคราะห์ต่อพระราริชกม า, ร, ร, า, กมารีเหล่านั้นเท่านั้นแล้วพอตอนถึงทุกเวทนาแรงแ ร, รับสั่งว่าแม้จิตเราจะกกะสับกสายแม้กายเราจะกกะสับกระสายแต่จิตเราจักไม่กรสับกระสายคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้ว แล้วก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธจนสเดสด็จสอนโคตรไปยิ่งใหญ่นะก็คงระดับชิมนะระดับสัมผัสแต่ขนาดไหนก็เป็นเรื่องของท่านและสัากต่อไปว่าพวกเทวดาพวกมนุษย์ในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีในสวรรค์ทั้งหลายก็ดีในสถานที่อาศัยของสัตว์ทั้งปวงก็ดี ให้เราสังเกตนะฮะที่เรายัางมีปัญหาโตแย้งกันจนถึงบางครั้งรุนแรงฮะเช่นพูดกรณีของธรรมกายนเนี่ยคือมาเองมันมีความรู้สึกเฉยๆเพรามาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์แล้วก็ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตรม์มาเยอะ เราก็เห็นว่ามันเป็นความคิดเก่าไม่ใช่ความคิดใหม่เป็นความเชื่อกเก่าเป็นความเชื่อโบราณมากแล้วถ้าจริงๆโบราณกว่าพระพุทธศาสนาด้วยซ้าไปปัญตาหนนิพพานที่จริงก็คือปรมาตมันคือพรหมมันคือมหาตมันนะคือพระเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็เรียกกันน่คือคนมันมีภวะตัณหานะี่ คนก็อยากเป็นก็นอยากเป็นการพูดถึงนิพพานเนี่ยมันดับหมดมันก็เสียดายอะ่ะเพืาอนลองสังเกตว่าวัดที่มีกิจกรรมอย่างเนี้ยเรียกว่ากิจกรรมขายสวรรค์นขายบุญคนจะขึ้นเยอะเลยเราดูอย่างเนี้ยอย่างวัดอะไรอ่ะหลวงพ่อฤาษีนิงดำเนี่ยคนเต็มคนเป็นมืดนมื่เหมือนกันแหละเพราะคนก็ชอบ มันเป็นภวะต่างแต่ความจริงละ่ะคือถ้าคุณยังอยู่ระดับนี้ระดับอรูปฌานลงมาเนี่ยแน่นอนคุณก็ต้องมีพรมิชาติประณีตไปตามภูมิจิตภูมิธรรมของคุณแม้แต่คุณระดับถึงพระอนาคามีคุณก็มีภพภูมิเป็นที่อยู่อาศัยของคุณเพราะนันเหล่านี้ต้องมีต้งพบต้องภูมิแน่นอนแต่ ประเด็นตรงนี้พระเจ้าเอาพระขีณาสพมานะฮะเอาพระขีณาสกมาเป็นหลักเพราะต้องย้อนกลับไปที่พระสมิทที่ท่านพูดถึงโลกุตระที่ท่านต้องการท่านไม่ต้องการกามที่เป็นมนุษย์หรือกามที่เป็นทิพย์อย่างที่เทวดาคิดหรือว่ากระตุ้นให้ท่านอยากได้กามที่เป็นมนุษย์เพราะว่ามันสัมผัสง่ายท่านไม่ต้องการ ทีนี้พวกนี้มันมันเป็ น, น, น, เ, ปนเป็นบรมสุขคือสุขที่ไม่มีตัวตนไปเป็นผู้สเสวยเพราะถ้ายังมีตัวตนอยู่เด่ยมันก็มียิ่งมีหยอนมีมากมีน้อยมีอะไรต่อมีอะไรอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกถ้ายังมีตัวตนอยู่ก็จิตใจก็จะไขว่คว้าอยู่เรื่อยเพื่อรับสัง่งสังเกตนะฮะ พวกเทวดาพวกมนุษย์ในโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีสังเกตนะมนุษย์มีในโลกอื่นด้วยเทวดามีในโลกอื่นด้วยในสวรรค์ทั้งหลายก็ดีโลกอื่นกับสวรรค์เนี่ยผู้คนประเภทละหมายความาว่าสวรรค์ก็คือก็คือเทวโลกโลกอื่นก็คือปรารถ แล้วแต่บางทีเราก็รวมเอาสวรร์ไว้ด้วยในสถานที่อาศัยของสัตว์ทั้งปวงก็ดีหมายความที่ใดก็ตามที่มีสัตว์มีสัตว์มีสิ่งมีสัตว์อยู่สัตว์เป็นผู้ค้องแตยังค้องยังติดคือหมายความว่าอะไรตั้งแต่พระนาคามีลงมาก็ยังเป็นสัตว์อยู่นะเพราะไม่ได้ขำหยาบอะไรนะฮะ เป็นการเรียกถึงสภาพจิตที่ยังค้องติดยึดติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ที่ค้นหาก็ไม่พบกีณาศพผู้มีเครื่องผูกอันตรสจแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหานั่นคือสภาพของนิพพานนิพพานจึงไม่มีกิเลสไม่มีภพไม่มีชาติเป็นปฏิจจสมุป บ, บาทสายดับ รเรียกว่าสายนิโรธวานตัวการใหญ่มันก็กิเลสกรรมวิบากนะมันก็ดับแล้วตัวการใหญ่จริงๆคือกิเลสแต่กิเลสมันดับกรรมมันก็ดับเมื่อกรรมไม่มีวิบากมันมีมาจากไหนเหราคล้ายๆก็เรียกตบมือครังเดียวแต่เราพูดตบมือครังเดียวเนี่ยมันไม่มีผลคือไม่มีวิบากไม่มีเสียงตบมือครังเดียวเสียงก็ไม่ดัง เพราะพวกนี้กิเลสกรรมวิบากเนี่ยจึงเป็นปัจจัยอาศัยของการอะไรกันทีนี้ในที่นี้ก็ตัดเครื่องผูกก็หมายความว่าพวกสังโยชน์ทั้งหลายเนี่ยหมดแล้วนัจริงแล้วก็เมื่อหมดกิเลสมันก็หมดทุกข์แล้วก็ยืนยันว่าจากนั้นน่ะ น, นะจากนั้นคือไม่มีตัณหา แต่ทำไมกลับไปที่ตันหาล่ะมันก็ต้องมองไปที่เทวดาที่เริ่มต้นจากตันหาคือก็ต้นการมาตันหาของพิกษุสมิทิพราะพั้น ร, รู้เจ้าก็ทรงแสดงเห็นว่าในโลกุตระเนี่ยมันไม่มีตันหาในความเป็นโลกุตระคือกีนาสบนะเอาเฉพาะอาระหันต์กีนาสบให้ลองสังเกตว่าบุคคลที่ทรงยกตัวอย่างมานั้นเป็นการดับ เพลิงกิเลสได้เพลิงทุกอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ว่าเป็นการดับเพียงเล็กน้อยแล้วก็รับสั่งว่าให้เทวดาเนี่ยรูก้ก็ให้พูดเทวดาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อได้ดี ได้ให้ความโดยพิสดารอย่างนี้ว่าเห็นไหมพระเจ้า ต, าตัทั้งเยอะเลยตทั้งเยอะยแต่ว่าเทวดามาสรุปนิดเดียวมันเหมือนกับที่พระไชิชท่านฟังธรรมจักกัตนสูตรอนัตตลกนสูตรแล้วยังนึกว่าก่อนก่อนจากนั้นก่อนจะพบประสาดิบุตรเนี่ยท่านคงต้องฟังเทศหลายกันนะ เพราะว่าโดยเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าไปที่กรุงราชสุครด้วยตอนพระเจ้าทรงสแสดงอนุบุพิกถาฤาสีแก่พระเจ้าพิมิสานกับพวกก็ต้องได้ฟังแล้วก็ในตอนอื่นๆนะฮะเราก็เ้าไม่บันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นจากเส้นทางจากพารณาณสีไปสู่ราชสุครเนี่ยมันก็คงจะเยอะ แล้วก็ตอนที่เสด็จท่านท่านท่านเที่ยวจาริกไปสั่งสอนประชาชนกว่าจะมาพบกับพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์เนี่ยมันก็ต้องมีพูดมีอะไรแสดงเยอะเลยแต่พอท่านสรุปสรุปเหลือสองบรรทัดทนเยธรรมาเหตุปับภาวเตสังเหตุุงตถาคโตเตสัญญโยนิโรธทจเอวังวดีมาสมโน ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ต, ตถาคตเจ้าวทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้คือท่านสรุปรวมที่อริยสัต์แต่พอมาถึงเทวดาตนนี้ท่านบรรลุโสดานะท่านบรรลุโสดาประการบรรลุโสดาเนี่ยมันศีลสมบูรณ์คือสมมาวิจารสมมากรรมตะสมาชีวานิสมบูรณ์ สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณซึ่งก็หมายความมาจริงๆเนี่ยท่านก็บรลุอริยสัจ ร, รู้อริยสัจ ร, ระดับหนึ่ ง, งก็ทนนอนกับแสงสว่างระดับหนึ่งมันก็จัดความมืดได้ระดับหนึ่งกจัดไปหมดหรอกแต่ว่าตรงนั้นมันก็ไม่มืดอะท่านมาสรุปยังไงมาสรุปที่ใจที่ขามาสรุปที่ศีลสมาธิปัญญา ราบสั่งว่าไม่ควรทําบาปด้วยวาจาด้วยใจและด้วยกายตรงนี้เป็นสันนะฮะคือท่านกล่าวเป็นสันแต่จริงจะขึ้นอะไรก่อนก็ได้ตามปกติพระเจ้าจะแสดงกายวาจาใจอเขาจะหยาบมหาละเอียดแต่ว่าโดยอาการจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดที่ใจก่อ น, ม, น, ออนมันต้องเกิดที่เจตนาที่จะพูดที่จะทําก่อน คือวิตกวิตกวิจารเนี่ยมันเกิดก่อนหรือตัวความคิดเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วก็ออกมาเป็นพูดเป็นกระทาคิดเร็วก็พูดเร็วทำเร็วคิดช้าก็พูดช้าทำช้าแต่ที น, นี้ถ้าเอาวาจาก่อนเพราะอะไรอีกถ้าฟังลองสังเกตอริยมรักเนี่ยเรียงวาจาไว้ก่อน สัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมม า, มาชีวะไม่ไม่ได้เรียงแบบกุศลก็บรรสีตกุศลก็บรรศีตนั้นเรียงกายวยจาใจแต่ว่าในอริมักนั้นเรียงวยจากายวยจากกายก็ อ, อาชีพนั้นก็คือกายกับวจานั่นแหละหลันท่านก็พูดจากใจภาษาใจของท่านที่ท่านได้เห็น พรท่านก็งดเว้นทุจริตทางกาทางวาจาทางกายทางใจแล้วก็อย่างไหนในโลกปวงกวนละกามทั้งหลายเสร็จแล้วกามทั้งหลายนะมาความมารรมทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เหมือนกับอะไรอ่ะ เมื่อพระพุทธธรรรัที่พระเจ้าตรัสแก่พระอาหารหันต์หกสิบรูปตอนที่ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอุทครหต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ถ้าตราบใดยังมีกามอยู่ยก็ทั้งวัตถุการ้มกิเลสกามนั่นก็มีด้วยกันนะนะหมายความว่าตัวใหญ่จริงๆคือกิเลสกามวัตถุการมมันทําอะไรมันไม่ได้หรอกมันอยู่ในโลกนี้แหะคือใจเราไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยตัณหามาณะทิฏฐิมันก็จบกับต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน กรระสักแตก่ว่าการรูปกระสักแต่รูปเ ส, สเสียงกรกสักแต่เสียงกลิ่นกรสักแต่กลิ่นรสกระสักแต่รสสัมผัสกรสักแต่สัมผัสปรการในที่นี้ท่านเน้นที่ตัววัตถุกามมากนะฮะเพราะว่าที่ท่านประรบมาประรบตัววัตถุกามคือประรบความสง่างามของอังคาพยพของสมิธิเทระแล้วก็มีสติ ม, มีสัมมชัญญะ อันนี้สมบูรณ์นะฮะคือคือหมายความว่าสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นี่ไม่มีหรอกนอกจากพระอาหารหันต์ไม่ควรเสพทุกข์อันประกอบด้วยโทษแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นี่ย้อนกลับไปที่หลักการซึ่งพระสมิธิได้กล่าวกับท่านไปในตอนต้นที่บอกว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มาก ปุ่ยเจ้าแสดงว่าการเป็นสิ่งที่มีทุกข์มากมีโทษมากท่านก็คนเราจริงๆพอเข้าถึงนะพอเข้าถึงความจริงมันก็เหมือนกันภาษาที่นำมาสื่อสารอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าโดยเนื้ออาสระแล้วก็เป็นนั่นเองเดียวกันกรณีอของพระสมิธิยังมีประเด็นหลายประเด็นนะที่ ก็คิดว่าวันต่อไปก็คงจะมาสรุปประเด็นที่ที่ยังไม่กระจ่างคือจะต้องขยายความเพราะว่ามันไปผูกพันกับชีวิตมนุษย์มันเป็นวิถีชีวิตวิถีสังคมเป็นลีลาอารมณ์ของชาวโลกเป็นการมองสิ่งเดียวกันในจุดเดียวกันโดยพื้นฐานของจิตใจที่แตกต่างกันเห็นไหมว่าเทวดาก็เปลี่ยน จิตก็เปลี่ยนมาเรื่อยเลยเปลียนมาเรื่อยแล้วก็ในที่สุดสิ่งที่เคยข้องติดสิ่งที่ท่านยั่วให้พระสมีที่กำหนดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีเยอะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันเป็นโทษซึ่งต้องละต้องปล่อยต้องวางไม่ข้องไม่ติดท่านเองก็เป็นพระโสดาบันใีนสมบูรณ์ สมาี่พอประมาณปัญญาพอประมาณก็หมายความมาที่แน่นอนที่สุดก็คือปิดประตูนรกได้แล้วก็สีหทานั้นเกิดโดยอัตโนมัติแล้วจะไม่ทำกรรมหนักจะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏด้วยอีกอย่างมากที่สุดนี่ก็เจ็ดชาติอาจจะหนึ่งชาติอาจจะสองชาติอาจจะสามชาติก็ไม่แน่มาเรื่องเฉพาะตัวคน เป็นรายละเอียดแต่พระเจ้าทรงแสดงว่าว่ววสัตตะกตุปรมาคือไม่เกินเจ็ดชาตินี่ก็เป็นหลักเกิดเป็นสูตรมีความเป็นสากลอยู่รูกการรุปสมัยต้องฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทรั้นี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไพบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี